ไม่ไม่ควรจะมีเพราะฉนั้นถ้าพูดพูดในใจอย่างหลวงพ่อเนี่ยหลวงพ่อพูดในใจนะหลวงพ่อเนี่ยพูดในใจมาตลอดข้าพเจ้าเนี่ยก็คงจะในชาตินี้ก็คงไม่ลาสซึกขาละนะอันนี้หลวงพ่อพูดในใจมาตลอดแต่จนนูน่นจนถึงอายุมากถึงขน า, าดนี้นละพวกเราคงได้ยินวันนี้ใช่ไหมแต่ก่อนมันคงไม่เคยได้ยิน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 บางคนที่พวกเราได้ยินได้ยินประนามกันทั่วบ้านทั่วเมืองบางครั้งนะพอบวชเข้ามาแล้วก็ทำตนไม่ดีเสียหายในพระพุทธศาสนาอันนั้นน่าตําหนิแต่ถ้าหากาผู้ใดบวชเข้ามาใช้เมื่อบวชเข้ามาไม่หม่ยกับเป็นผู้ตั้งใจแต่พอบวชเข้ามาแล้วถ้ามันทะเลถลายก็ไม่อยู่จะไม่อยู่อยู่ทาไม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 ทำสิ่งไหนก็ตามแต่ความมุ่งมั่นมีความตั้งใจแต่บางท่านบางคนเมื่อสมัยเป็นครวเอตํทำท่าตินู่นตินี้ติพระอย่างนุนตีพระอย่างนี้พระไม่ได้อย่างนี้ก็เคยมาเคยมาบวชที่วัดหลวงพ่อเหมือนกันพอเข้ามาบวชโอ้อทำตัวไม่ดีเลยเป็นที่ตำหนิ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 ให้เป็นผู้มุ่งมั่นให้เป็นผู้ตั้งใจ อ, อ, อย่างพ่อแม่พี่น้องลูกหลานก็เหมือนกันเนี่ยที่จะนำลูกหลานเข้ามาบวชในพระพุทธศาสนาหลวงพ่อเองก็ไม่ถึงกับว่าเอากันกลองอย่างละเอียดถี่ถ้วนหรอกแต่ถึงยังไงก็ตามพ่อแม่ก็ต้องการกลองเป็นอันดับแรกซะก่อนเออลูกคนนี้ของเราเนี่ยนิสัยดีมีมารยาท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 ตัดหางปล่อยวัดพอตัดเข้ามาหางปล่อยเวลาหายเงียบไปเลยไม่มาเยี่ยมมากล่ำมากลายเลยปล่อยทิ้งไปเลยผลในสุดผู้ที่เข้ามาบวชก่ก็ทั้งที่จะเป็นคนดีเออเอาเถอะข้าเรียวมาพอแรงแล้วต่อไนี้ไปข้าจะเป็นคนดีมีศีลธรรมมีจริยธรรมปฏิบัติตนให้เป็นพระที่ดี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 เดี๋ยวลูกศิษย์ลูกหาก็ะวานนี่อาจารย์เนี่ยค่าลูกศิษย์ที่วารุษิต ท, ทำตัวไม่ดีมีการฟ้องขึ้นมาแล้วก็เลยจัดการค่าเอาแ้่เราจะยืมมือคนอื่นค่านะเนี่แหละอาจารย์วางแผนนัเนเออาจารย์ก็บอกว่ า, าหิงสักยเธอที่เรียนจบแล้วนะเกือบจะจบแล้วแต่ยังมีวิ ช, ชาหนึ่งที่เราให้ใครยังไม่ได้อยู่ในตัวของเรา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 จากนั้นพระเจ้าประเสียงก็จะได้กล่าวองคุลิมานยกมือไหว้จากนั้นก็ถอยทับกลับอันนี้ก็คือถ้าจะว่าไปแล้วก็คือองคุลิมานเนี่ยฤทิ์ใสดังเดิมของท่านเป็นคนดีแต่ว่าถูกใสความ ก, ก็องเป็กรรมของท่านในอดีตชาติเหมือนกันนะและก็พร้อมกันก่อ น, นในเรื่องนี้หลวงพ่อตำหนิอาจารย์อาจารย์ขององคุลิมาน